ข้าพเจ้าดีใจจิงๆที่ได้เห็นท่านกลับมาข้าพเจ้าก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งแต่ก็รู้สึกเศร้าสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเออเทวามิตตาอุบาสกท่านรู้จักดีใช่ไหมข้าพเจ้ารู้จักดีท่านถามทําไมเทวามิตรยังมาที่นี่เป็นปกติดีอยู่หรือข้าพเจ้าอยากพบเข า, ขาเทวามิตรอุบาสกเคยมาที่นี่หลายครั้ง หลังจากที่ท่านจากไปแล้วแต่พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นในกรุงราจะลึ้เขาก็หายไปเลยไม่เห็นมาพระอารามอีกข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้บินธบัตผ่านไปทั้งบ้านเ็าเลยจึงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มาขอบคุณท่านผู้มีอายุเย็นนี้บางทีข้าพเจ้าอาจจะไปหาเขาที่บ้าน เดินทางเข้ากรุงราชคึกเพื่อเยี่ยมเยียนเทวมิตรอุบาสกบรรยากาศของกรุงราชครึกเงียบเหงาซบซาวกว่าแต่ก่อนมากตามถนนทนทางผู้คนเดินผ่านไปมาบางตาในที่สุดก็มาถึงคฤหาสน์ของเทวมิตรขณะนั้นพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ยังไม่มืดเสเลยทีเดียวเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง พราะแทนที่จะได้พบคนในบ้านมาต้อนรับอย่างเคยกลับพบทหารยืนถือดาบพระศาการอยู่สองข้างประตูหยุดเพราะคุณเจ้าจะไปไหนอาตมาจะมาเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่ทราบและไม่มีใครทราบท่านทราบบ้างไหมอาตมาไม่ทราบเพราะเพิ่งเดินทางมาจากชนบทมาถึงกรุงราชครื้วันนี้เอง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 ที่สามารถบอกที่ซ่อนตัวของบุคคลหัวหน้ารวมทั้งเทวมิตรด้วยและภรรยาบุตรธิดาและข้าทาสบริวารของเทวมิตรละ่ะไปไหนหมดเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่นอนว่าเทวมิตรเป็นหัวหน้ากบฏคนหนึง่งพระองค์ก็มีบัญชาให้ริบซัย์สมบัติของเขารวมทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินด้วยพวกขบ aja า จ, าจึงถูกทรงมาเฝ้าบ้าน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 กลับทราเวฬุวันด้วยใจที่หดหู่สภาพอันเงียบเหงาของพระอารามถ้าให้เกิดความรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นคนแปลกหน้าอยู่ในทิ้นไม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่มาก่อนเลยต้นไผ่เหี่ยวเฉาสงบนิ่งคล้ายไผ่แห้งผง ก, กระแตที่เคยวิ่งไล่กันอย่างร่าเริงบนกิ่งไผ่เบาบางตาลงไปมาก กระแต่ไม่กี่ตัววิ่งเหาะๆไปตามกิ่งไผ่อย่างเงื่องง้อยสภาพอย่างนี้ทขาให้เกิดความคิดใหม่หนีไปจากกรุงรา ช, ชคฤห์ให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้และไม่กลับมาอีก เบตลวานารามในยามนี้ตกอยู่ในสภาพเงียบเงาห น, น้าเศร้าใจอย่างยิ่งพระอารามที่เคยคับคั่งโดยบริษัททั้งสี่ที่ลังไยจากทิสานุทิศเพื่อรับอัมริธรรมวารีจากพระพุทธโอษฐได้กลายเป็นดุดอารามราไม่มีใครอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานกุฏิวิหารธรรมศาลาที่เคยสะอาดเอี่ยม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 ที่สิงสถิตของบรรดากระแตเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยกถวายให้เป็นพระอารามแก่พระปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวลุวันก็กลายเป็นสังฆาวาดอันรุ่งเรืองแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารที่วงขดพอน้มือของพระเจ้าอาชาติศัตรูราธโอรสและสังฆมณฑลได้แตกแยกสานเซนไปแล้วพอนมือของพระเทวทัต พระเวรุวดารามก็สุดโสมลงในไม่ช้าคงกลายเป็นป่าไัยที่อยู่อาศัยของกระแตตามเดิมอย่าว่าแต่เวรุวณนารามเลยแม้แต่พระนครราชครึกราชธานีแห่งมคตฏธรัตอันเกรียนไกรสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นกองอิฐกองดินและป่าละมะ่ออันเงียบเหงา เย็นนี้เห็นทีจะต้องเรียกประชุมพระภิกษุชราสองสามรูปนั้นก่อนที่จะไปจากที่นี้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 เสื่อมลงและก็ดับไปดูรพระเวรุวานารามนี้เป็นตัวอย่างสมัยหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองขับข้างไปได้พุทธบริษัทเอื้อาบซาบซาบไปได้พุทธธรรมชุ่มเย็นด้วยสันติสุขอบอุ่นอยู่ภายใต้พุทธานุภาพเป็นเสมือนสระโบขรณีเต็มไปด้ยธรรมวารีที่สัตว์ผู้กระหายหิวจากทิศ ท, ทั้งสี่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 เจริจะไปไหนฮะตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะออกเดินทางโอ้ท่านผู้เจริญขอนิมนต์ท่านอยู่โปรดพวกข้าพเจ้าก่อนเถอะอย่าได้ถิ้งพวกข้าพเจ้าไปเลยพวกข้าพเจ้าเป็นพิสุกแกพึ่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทนายพระพุทธศาสนาไม่นานยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้มในทางปฏิบัติเวลานี้พวกข้าพเจ้า ไม่มีที่พึ่งที่ได้อีกแล้วพระบรมศาสดาร้อมด้วยพิสุทสงก็จากไปสู่นครสาวัตถีและพวกข้าพเจ้าเป็นพิสุแกไม่มีกำลังวังชาพอจะตามเสด็จไปได้จึงตกค้างอยู่ที่นี้แด่หวังจะได้ทันเป็นที่พึ่งแล้วนี่ท่านก็จะจากไปอีกพวกข้าพเจ้าจะได้คลายเป็นที่พึ่งล่ะท่านผู้มีอายุโดยใจจริงแล้ว เมตตาธรรมและคุณธรรมต๋ในข้าพเจ้าอยู่กับท่านอยู่กับเวรุวานารามที่ข้าพเจ้าเคยอยู่มานับสิบปีแต่ว่าแปลว่าอะไรท่านผูจเาเริดภารกิจข้างหน้าของข้าพเจ้ายังมีอยู่ทั้งประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของตัวเองข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสหมักห ม, มมอยู่ในสันดานจึงต้องกําจัดเช่นเดียวกับท่าน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 เมื่อได้มรรคผลพอสมควรแล้วข้าพเจ้าจะกลับเข้ามาอยู่ที่พระเวฬุวันารามต่อไปจนกว่าจะถึงวราระสุดท้ายแห่งชีวิตแต่ว่าพวกข้าพเจ้าจะวิตกไปทําไมท่านทั้งหลายล้วนแต่ได้รับบรรพชาอุปสมบทเฉพาะพระพักพระบรมศาสดาและได้รับพระพุทธโอวาทเบื้องต้นเป็นแนวทางปฏิบัติทุกองค์แล้วฉะนั้นยังจะคิดพึ่งผู้อื่นอีกละ่ะ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 ก็เกิดเตุร้ายขึ้นสัก่อนแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าท่านผู้เจริญมีความจำเป็นจะต้องจากไปข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะทัดทานท่านไว้ได้แต่ก่อนจะไปก็ข อ, อนิมนต์ท่านสักอย่างอะไรเหรอท่านผู้มีอายุประทานโอวาทและแนวทางแห่งการปฏิบัติ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 อะไรละ่ะข้าพเจ้าพอจะรู้ออถ้าอย่างนั้นท่านก็ตอบมาข้าพเจ้าเข้าใจว่าจุดหมายของพรหมจันทร์ก็คือพระนิพพานถูกแล้วท่านผู้มีอายุและท่านทราบหรือไม่ว่านิพพานคืออะไรข้าพเจ้าได้ฟังมาว่านิพพานคือสภาพที่ดับทุกข์พร้อมด้วยเหตุแห่งทุกทั้งปวงถูกทีเดียวท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามีความสงสัยอยู่อย่างหนึง่ง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 แล้วทาไมท่านรู้ว่ามีละ่ะมีหลายคนเข้าไปเห็นมาด้วยตาแล้วนํามาเล่าให้ข้าประจับฟังสมมุติว่าท่านอยากจะไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่านครเวสาลีมีจริงหรือไม่จะมีทางใดที่ท่านจะกระทําได้บ้างไหมท่านผู้มีอายุมีสิทท่านผู้เชริอเลข้าปรจ้าอาจจะไปพิสูจน์ได้ทุกเมือ่อเพราะนครเวสาลียังคงอยู่ที่เดิม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 คำว่าอรหันอันเป็นนามของพระผู้ดับทุกได้เด็ดขาดแล้วนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้ไกลจากข่าศึกหรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือผู้ปราบปรามข่าศึกลงได้อย่างรับขาบประสบชัยชนะแล้วอย่างเด็ดขาดนั่นเองท่านทั้งหลายทราบไหมว่าข่าสึกในที่นี้คืออะไรข้าศึกในทีน่นี้หมายถึงกิเลสทั้งปวง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 เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกิเลส ท, ทั้งหมดแล้วรองจากอาวิชชาธิราชมีไหมมีอันดับสองรองจากองค์อวิชชาธิราชเป็นผู้นำอาพระบัญชาของพระองค์ออกไปสั่งการแก่ไพรพลกิเลทผู้ที่เป็นรองคือใครอัคาระมหาเสนาพดีมีอยู่ได้กันสามคนทำหน้าที่ต่างกันแล้ว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 สิ่งเหล่านี้แหละถ้านอร拉มหาเสนาบดีไม่ได้ออกหาเองหรอกนะเพียงแต่เลือกสรรควบคุมสั่งการเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงอระมหาเสนาบดีคนที่สองอเสนาบดีคนที่สองชื่ออะไรภาวะตัหาแล้วทั้งนาทีอะไรเกี่ยวกับการควบคุมรักษาสมบัติทั้งหมดในท้องพระทังคราวนี้คงเป็นอครมหาเสนาบดีคนที่สามสิ ถูกแล้วท่านผู้มีอายุอัคราหมหาเสนาบดีคนที่สามเรียกว่าพิวะตันหาทำหน้าที่กาจัดทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปจากท้องพระครต่อไปเถอท่านผู้เจริญ ท่านอัครามหาเสนาบดีทั้งสามมีเสนาบดีรับใช้อยู่สี่คนคือกามุปาทานทิสถาปาทานลีลพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานแต่ละคนมีหน้าที่ทาอะไรบ้างท่านผู้เจริญกามุปาทานทําหน้าที่ในการรักษากุญแจทองพระคลังมหาสมบัติแล้วคนต่อไปคือ ทิศธาปาทานาทำหน้าที่อะไรทิศถาปาทานทําหน้าที่ในการรักษาห้องสมุดหลวงอันเป็นที่เก็บตําราเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพระนครศีละพระตุปาทานเป็นเสนาบดีฝ่ า, ายพิธีกรรมมีหน้าที่ในการรักษาและประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระราชอาณาจักรคนุดท้ายละทางพิจิตรคนสุดท้ายมีชื่อว่า อัตวาทุปาทานเป็นสนาปดีฝ่ายรักษาความมั่นคงของพระราชอาณาเขตท่านผู้มีอายุทั้งหลาย